เรื่องภิกษุผู้อยู่ในวิหารหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบอกอุบาสกคนหนึ่งว่าอุบาสกภิกษุรูปที่อยู่ในวิหารของท่านเป็นพระอรหันต์และตัวท่านก็อยู่ในวิหารของอุบาสกนั้นท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือนอจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ